ใจเวลาเกี่ยวข้องหรือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำเรียาเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดเดี๋ปรุงอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาผิดก็เอาอารมณ์นั่งอะ่ะ่าเป็นเพื่อน ความคิมันก็เป็นพิษเขาไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดอานสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข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 พักจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรงุงหมายนั่นหมายนี่รื่นยาตั้งแต่จิตหายเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตเป็นมีมากมายกายกองมากขึ้นกนเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอนน้อยลงไปโดยลำดับและให้มีคั ด, คดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมเนควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงต้องได้เรียนไม่รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าว เรื่องของกิจและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกิจมันก็มีอะไรปิดบงังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใกลอยู่ที่ใดก็ตามในน้ําบนบกบนอาก า, กาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกข์และรับความก้าวต่อกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมด เป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับกลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆ ท, ที่ใครก็ไม่ตัดทนานผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางนีรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายัง ยังดีพวกเราหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันเราจึงเรียกว่าได้เกียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขา ไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนาธรรมที่ถูกต้องแน่นยำเหมาะสมต่อการแก้ปี่เหลึ่งนี่ปู้แล้วคือขาดต้นไปไม่ทราบจุดนึงมาจากไหเรื่องนี้พูดมนดับไปป้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมาย นี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมรูปอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาส อ, สอนก็ดีที่ในศึกษารเรียนก็ดีเราจรึงควรถือเป็นสำคัญ พาการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกการปฏิบัติก็เพื่อจะตอดถอนทุกตามอุบายที่ท่านสอนไว้ขาดบางจําพวกหรือมีมากจาพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้รู้ถึง มีมากมายก่ากองแต่เพราะอย่างยินทุกข์ที่เกิดขึ้นจากที่เหลือที่เหลือได้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่แผนโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากเกินมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถิดแล้วจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกัน ไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีแตเป็นคนถ้าท่านมันณ์หน้าไหนก็มั น, นก็นเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการตับต้บเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่สิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์เสีนงาญมีเชื้ออันในพาให้เกิดนี มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่อนนั้นถ้ามีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นมูขเป็นกายเป็นยิงเป็นทายเป็นสัตว์เป็นบุคคล น, นี้ไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่กอกไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนภูติเกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะนั้นมาเกิดขึ้นมาแล้วจริงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ทักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายไม่ผู้เบือดเบียน เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสารโลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผึดขึ้นมา เ, เรื่อยเรื่อยงความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยรื่อยหาทางสิ้นสุ ด, ดยุติไม่ได้ศาสนาธรรมที่สอน นี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนาธรรมธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก่ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะยังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินนำทางตนเองและแก้ทุกข์ให้ พ้นไปได้โดยไม่ก้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทเจดีพระพุทธาเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษาั้อก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกนังปฏิบัติตนพ้นไปได้เดิลำดัเนี่ท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัตว์จะทำ ว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะแม้กระเทือนอยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกกันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในกาพยจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินพรหมก็ไม่เว้นถ้ากิเลยนนังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีในสถานที่นั้น นัวสัจธรรมคือทุกขอ่าเรายกทุกขสั์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศขนของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทงทะประกาศกลางวานันหรือทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยนประกาศอยู่กับัต่คนทั่วๆไปโกนุฮาโซจมานันโดนิดจังปัทเธติเตติ อันทักกาโอเณนะโอนัทธาปฏิปังนั่งเวสัทะอย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันิวาดนี้ร้อนไปด้วยเพิิมของกิเลสเผาผลานอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไระทำไมจึงไม่แสวงหาที่เพึ่อเราเนี่ย โกนุห้าโซ่นก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงมันเถิงนิจังปฏิเทธเจตสิิ์อยู่หมายถึงว่าไฟที่เลียกกันหาสิว่ามันเผาผลาญมิตรตลอดเวลาทําไมจึงมีใจใจิตใจใจเพลิดเพินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิบังิปฎิบัตินักปฏิเสธจริงก็อันธากาโรเรณโอนะถาคือความมืดบอดมันครอบจิต่ตลอดเวลาพระจะสะว่างตะวันจะจี่ดวงก็ตาม ความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นและตัวมืดด้วยอำาจของีิเลยมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนนิดอยู่ชงนี้ทำไมจริงต้องยืนเินกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งงานนี่เป็นพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาสิต มันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยที่บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับอยู่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พบ ก, กี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิงที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จําไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาติโน้นชาตินี้อะไรเลย เพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลืมลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วอือส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลานั้นเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยัผีพยานยก็คือตัวสำคัญได้แก่ที่เหล็ก ที่เป็นเชื้อให้เกิดคือตลอดเวลานะทุกภพทุกชาดิ ล, ล้วนแน่งแต่เป็นไปเพราะขี้เละเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดหรือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาตปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะขี้เละตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันพวกติทั้งหมดจะนับได้หรือไม่ถด้ก็ตามว่า ก, กี่พวกี่ชาติทีเคยเป็นมา มันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลมล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่ที่นี้ตลอดไปคําว่านักนีมันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกขามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั้นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในใจิตใจ มันก็มีเป็นเรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเี่ยแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกังวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็นมไปด้วยทุกเป็นไปด้วยสัจธรรมการสัจะทําคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรร ม, ม, รรมข้อหนึ่งสมุทยรรมัยศาสตร์ก็ได้แต่ตัวพิเลตที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมา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 นั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเด็ของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็าผลิตมาเป็นรูปเป็นกายทุก เ, เรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุก อ, อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกอสองสัตวจักนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัตจัก ให้หมุนให้สาตโลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดเจ็เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันตายขอบดงตายไปตายมาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมพีเรียดมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดเจ็เ จ, เจ็บตายเกิดเจ็จ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรม อันข้อที่ 4. สี่ธรรมะเข้ามาถ้าผิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระ ง, งับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจง่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของพิเรศผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไป นสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกาจัดเป็นตัวชำร ะ, ะเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้ทิเรตก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับ ก, กันเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรทิเลกก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัต ทำหน้าที่วิชรมละอธิกรทําลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของจักรทาทําลายหมอดอโลคที่มีอยู่ภายในจิตใจของจักรโลกให้แตกสป็นชิ้นเป็นอันโดยลํานะักจนกระทั่งทําลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็จปเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นมิมุติปนิพานดุดพนแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตจักรได้แก่ความเกิดแก่เกิดตายหมุมเนเย็นเปลีป่ยนแปลงไปอยูย่ในเรือนจำคือวัตจัจกรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคตริย์นี้เป็นเครื่องทําลายนิโรธทัศน์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่อย่างมากรกษัตริย์ก็มาทํางานอยู่ภาในจิตใจทิ่เล็กก็ทํางานอยู่ภาในจิตใจทอำนาจที่เล็ไปได้มากน้อยก่็นั้นอํานาจของมากรกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลําดับแทนที่เล็กที่ดับไปมากน้อยทนกระทั่งมากรกษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กำจัดภูมุทายาศัต ร, ร์ ให้หมดประจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แหละเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความกดแก่สิบตายในวัฏฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมากแต่เป็นสำคัญท่าน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 เป็นเครื่องทำลายาวัตจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างรัรกาศได้ทำลายตัวกงจากหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายใจิต ของธัตโลกเขด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมัดคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้เรื่องกิเลสนี้ลงได้ขอกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัตจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิง ผูนั้นจะไมนมาตกหุ้มตกตกเหียวตกบอก่อคือความเกิดจเจ็บเสียใจรับความทุกข์ความลบากเหมือนอย่างจัตติโลกทั้งหลายที่เป็นอยู่ในลนี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอนุา่านพ้นไปแล้วถ้าพยายามมันจุนาดมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองแต่ร่าง ก, กายนี้ออาเจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันไม่ว่าขาดขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกนั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมราบท่านจะเสวยทุกข์เช่นดกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนแห่งทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีชีวิตทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันจะแสดงตัวเป็นที่ห น, น เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทําความรอบครอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันทั้งโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่ มีความหมายก็ไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นด้านอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทกระเทือนจิตใ จ, ใจตด้วยตัวมือถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เ ย, ยียวยาไม่เยียาไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม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 ไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เรียบเสียเปียกคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นตายเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้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 แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยโดยลําพังตนเองแต่ามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกขกก์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าเท่ากันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พุทเจ้าทรงสั่สอนไว้ได้จะไม่มีามการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตรู้ก็เป็นสุขโต ขาดฐานตายไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดท้ายเป็นสุขโตวความทุกนี้เป็นสนามรบกับกิเลสไม่น่าให้ดีเราได้กล้าเขาแล้วถูกสงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไหมเขา ทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่หวังเรายอมทีนี้เราสู้ตอนเห็นไทยชนะนนกันซึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมากั็หลบหลบหลบหลบห ล, ลบซ่อนฮเขาก็ตามไปเดียวเลยมันไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าหามไมเวทีนี่กว่านักมวยเอกว่ะ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 ด้วยสติปัญญาแต่แม่กล้าวิเฉยเขาตีเอาโตวอวุ่งตูมนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็เชื่อเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลัก นาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ดพาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเสียไปไหนเราไม่ต้องประชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทาความดีทาความเฉลียวฉลาดอาจเข้าไปภาณใจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้พันะจ็นสร้างความฉลาดให้จิต เมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาดเดอะสมูร